อั น, นพระองค์ก็พิจารณายิ่งเห็นโทษข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไปทําอะไรแล้วมันดับหรอกไม่ปัญญาถ้าเห็นโทษอกุศลวิตกเท่าใดอกุศลวิตตกมันดับนะมันดับเท่านั้นเพราะอะไรเพราะมีปัญญามาเป็นเครื่องชําระปัญญาเป็นตัวชําระอากุศลวิตตกอันนั้นถ้าปัญญาเจริญขึ้นเท่าใดอากุศลวิตกก็ ดับไปเท่านั้นถ้าปัญญารอบรู้ในกุศลวิตกเท่าใดเห็นพิภัทยทุกโทษของอกุศลวิตกเท่าใดอกุศลวิตกก็ดับไปโดยประการนั้นบั้นปัญญาเท่านั้นแหละเป็นตัวดับอกุศลเนี่ยนะก็พิจารณาโทษของอกุศลวิตกที่เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทําปัญญาให้ดับเป็นไปเพื่อความคับแค้นไม่ได้เป็นไปเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานเลย ดูก่อนพิสูุทั้งหลายเรานั้นเมื่อไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีตนส่งไปอยู่อย่างนั้นหมายความว่าเจริญกุศลอย่างไม่อะไรในร่างกายและชีวิตมุ่งกำจัดอกุศลเนี่ยนะพอไปอย่างนี้พยาบาทวิตกก็ย่อมบังเกิดขึ้น ก็พยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างทําปัญญาให้ดับทํำให้เกิดความขับแคนไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพาน น, นนะนะก็ขณะที่โทสะเกิดขึ้นเป็นศีลไหมไม่เป็นเนี่ยนะเป็นเมตตาไหมไม่เป็นทําลายอะไรทําลายศีลก่อนทําลายพรหมิหาร ทำลายสมถวิปัสนาทำลายสติปัญญานทำลายสมัมมาปัญญาทำลายอิธิบาททำลายอินทรีย์พระโพชงองค์มรรคพันพวกนี้มันทำลายทำลายจริงๆเนะเปรียบเหมือนไฟเนี่ยนะเปรียบเหมือนไฟเผาป่าเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พืชและสัตว์ที่อยู่ในป่าไหมไม่เป็นฉันใดโทสะหรือพยาบาททั้งหลายก็ฉันนั้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าพยาบาทวิตกมันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตน มันก็ถึงความดับศูนย์ไปเมื่อปีปัญญาไปเพ่งไปแห่งโทษของมันตามเป็นจริงเนี่ยนะมันก็ดับเมื่อพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนผู้อื่นมันก็ถึงความดับศ <comp> <boyfriend> <im> ูนย <im> ์เมื่อปัญญาพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายพิจารณาไปอากุสนิตกเหล่านั้นก็ถึงความดับศูนย์เมื่อเราพิจารณาเห็นว่าอากุสนิตกเนี่ยมันทําให้ปัญญาดับ มันทาให้เกิดความคับแค้นรเรียกว่าอุปายาตไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานพิจารณาไปอย่างนี้มันก็ถึงความดับสูญดูความพิสูนทั้งหลายเรานั้นแลละเสียบรรเทาเสียละไปทั้งหมดบรรเทาไปทั้งหมดกำจัดออกไปให้หมดซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้วทาให้ถึงความหมดสิ้นไปเนี่ยเรียกว่าครอบงำเหมือนอไหนนะเหมือนกับ เอาไม้กีบแพะหรือว่าเหมือนกับจับพองูงั้นหรือเหมือนกับเหยียบคอศัตรูฉนั้นอ่างั้นกําจัดออกไปเลยมี่เอพระโพธิสัตว์เนี่ยพยาบาทวิตกเกิดขึ้นด้วยหรือนะโทรศทเกิดด้วยหรือพยาบาทวิตกของพระโพธิสัตว์อย่าคิดว่าเหมือนคนอื่นนะมันในหน้า226บทว่าพยาปาทวิตกโกความว่าวิตกที่ชื่อว่าประกอบด้วยการเบียดเบียนคนอื่นเรียกว่ามุ่งทําลายคนอื่นเนี่ยย่อมไม่เกิดขึ้นในใจของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย พระโพธิสัตว์ทั้งหลายยังไงก็ไม่คิดเพื่อจัดทาลายผู้อื่นอยู่แล้วเนี่ยนะเอ้าแล้วถามว่าแล้วพยาบาที่ตกเกิดอย่างไรพระพุทธเจ้าหมายถึงความที่พระโพธิสัตว์น้อมจิตไปเพราะอาศัยเหตุที่ฝนตกจัดนะเขาหงุดหงิดบ้างนะพยาบาทตัวนี้ก็คือหงุดหงิดนะนะเกิดความหงุดหงิดขึ้นเวลาที่ฝนตกมากหรือว่าร้อนจัดอินเดียนี่ร้อนเท่าไหร่ก็ลองไปสัมผัส ด, ดูกันแล้วกันเนี่ยนะ เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาในสักสี่ห้าเดือนเนี่ยแถวๆเอาวันว่าแล้วต้นโพและกันหนึ่งกันนะนั่นแหละเรียกว่าหนาวจัดยุงก็กวนแมลงก็กวนแมลงวันก็ตอมพระบาทถามอะไรจะเกิดขึ้นนะอันนี้แหละงดงิ ด, งดอันนั้นแหละเรียกว่าพยาบาทวิตกอันนั้นต้อก็เห็นเลยว่าเ อ, อ้ออกุศลวิตตกก็คือเครียดนี่ยแหะคือโทสะนะ แม้แต่เกิดนิดเดียวเลยท่านก็รู้ว่านี้ไม่เป็นอุปการะต่อสมถะและวิปัสนาอกุสลวิตกเหล่านี้เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นทำมันทําให้ปัญญาดับเป็นไปเพื่อความคับแค้มไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเลยเนี่ยนะเห็นเลยว่าทางเดิมของอกุศลวิตกเนี่ยมันจบลงที่ไหนกุศ ล, ลวิตกเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรต่อไปอีกบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียร เป็นเครื่องเผากิเลสมีตนส่งไปอยู่อย่างนี้วิหิงสาวิตกย่อมบังเกิดขึ้นวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์บอกว่าวิหิงสาของท่านคื อ, อวิตกที่ประกอบพร้อมด้วยการยังทุก์ให้เกิดขึ้นแก่คนเหล่าอื่นย่อมไม่เกิดแก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไม่มีความคิดที่จะสร้างความเจ็บปวดให้แก่บุคคลอื่นทําให้คนอื่นทุกข์กายทุกข์ใจเป็นต้นอันนี้ไม่มีแน่นอน แต่เพราะอาการแห่งความฟุ้งซ่านในใจโดยอาการแห่งอารมณ์ทั้งหลายประการอันนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกก็เบียดเบียนตัวเองอะนะว่ตอนนั้นรู้สึกว่าแหมมันเครียดอะมันงดเงิดบ้างแต่ว่าไม่มากแต่วันนี้เดียวเนี่ยนะเพราะพระองค์ประทับนั่งณนะพระทวารแห่งบรรณสาลาเรียกดั่งที่ประตูศาลาเนี่ยนะเห็นเนื้อร้ายมีเสือห่าเสือโคร่งเป็นต้นกําลังเบียดเบียนเนื้อตัวเล็กๆมีสุกรเป็นต้นเห็นถ้าถามว่าตอนที่เห็นเสือกําลังกัดเนื้อเนี่ยเราคิดยังไง นะเห็นเสือกำลังกัดเนื้อเห็นเสือกำลังฆ่าหมูเนี่ยนะเห็นคนกำลังปีหัวปลาไงนะคิดยังไงนะเป็นลมเลยไงบ้าลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ก็ดมฤติว่าศัตรูทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เดรัจฉานเหล่านี้ในป่าซึ่งไม่มีภัยแต่ไหนแม่นี้พวกสัตว์ก็กำลังเรียกว่าสัตว์ใหญ่ก็กำลังกินสัตว์น้อยสัตว์ที่มีกำลังมากก็อยู่ได้สัตว์ที่มีกำลังน้อยก็อยู่ไม่ได้ อันนี้ก็กรุณาที่เกิดขึ้นในสัตว์เหล่านั้นเห็นความทุกข์ร้อนเห็นความลําบากของสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละวิหิงสาบอกผมมันมันก็มีโทสะแทรกไปบ้างนะตอนที่สัตว์เนี่ยกำลังถูกฆ่าหรือสัตว์ที่กําลังฆ่าสัตว์อยู่นั้นอ่ะแต่พระองค์ก็เห็นแล้วเนี่ยท่านเห็นแล้วท่านตำท่านด่าด่ า, ด า, ด า, ดาเสือดา่าหมูดา่าสัตว์เลยใช่ไหมท่านตำเนียอกุศลวิตกเนี่ยท่านคิดไม่ดีนะนี้ท่านคิดไม่เป็นนะนี้อกุศลมิตกของท่านนะท่านเล่นงานฆ่าศึกภายในก่อนถ้าของเรานี่ยเน้นแก้ปัญหา ภายนอกแต่ของท่านมาแก้ปัญหาภายในแก้ว น, นี้การมวิตกนะนี้พยาบาทวิตกนี้วิหิงสาวิตกจะขุดมันได้ยังไงเนี่ยนะอันนี้เรียว่าใจที่มีอวิหิงสาที่มีไปกษัตริย์ทีนี้เอาไปพระองค์เข้าไปสู่บินทบาทไปบินทบาทก็กรุณาเกิดขึ้นในพวกชาวบ้านที่ถูกข้าราชการเบียดเบียนสเสวยทุกมีการฆ่าและการจองจําการประหารเคี่ยนตีเนี่ยนะพระองค์ก็เลยเพราะอะไรพวก ชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเขาเดือดร้อนเพราะพวกข้าราชการเป็นต้นเนี่ยนะก็เลยไม่สามารถจะทำงานของตนมีการทํานาค้าขายเป็นต้นได้เลี้ยงชีพกรุณาที่ปรารบถึงเห็นได้ข่าวว่าคนอื่นเขาเบียดเบียนกันข่มเหงกันรังแกกันเนี่ยเราฟังแล้วทาใจยังไงนะมันก็ไม่ค่อยสบายใจนะก็ไม่ค่อยสบายใจนั่นแหละเรียก ว, ว่าวิหิงสาของพระโพธิสัตว์พอวิหิงสาอันนี้เกิดขึ้นแต่ท่านก็ไม่ได้คิดจะไปแก้นะไม่ได้คิดจะปเป็นนายอาเภออะไรที่ไหนหรอกนะ เป็นพระราชาท่านยังไม่เอาเลยเนี่ยนะไม่ได้คิดน้อมไปเพื่อเป็นนายอําเภอเป็น่ะที่ดีกรงการตกครองหรือเป็นอะไรไม่มีแต่ท่านก็ไปเห็นแล้วว่าเออเนี่ยไอ้ความคิดนี้เนี่ยท่านเพ่งมาที่ความคิดในภายในก่อนว่าวิเหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแก่เราเนี่ยนะมันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนมันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนผู้อื่นมันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและแก่คนอื่นทั้งสองฝ่ายอากุศลวิตกนี้ทําปัญญาให้ดับ ทำให้เกิดความคับแคนไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดูก่อนพ่สูจนทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าวิหิงสาวิตกอันนี้มันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียตนตนนะไม่ต้องพูดเพราะกับมันนะอกุศลวิตกเลยนะไม่ต้องพูดดีกับมันปนระมาณนั้นตรงนี้คนแปลก็แบบแปลสะใจน่าดูเลยนะมันเกิดขึ้นเนี่ยนะยังก็หมายความว่าสภาวะคือวิหิงสาตัวนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเป็นไปเพื่อ เบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายถ้าเห็นว่ามันเบียดเบียนตนมันก็ดับถ้าเป็นไปว่ามันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้บ่อยๆมันเบียดเบียนคนอื่นนะมันก็ดับถ้าเป็นไปเพื่ออกุสนิตกเนี่ยเบียดเบียนทั้งตนและบุคคลอื่นก็อันนี้ก็ดับเมื่อพิจารณาเห็นว่าอากุสนิตกมันทําปัญญาให้ดับทํำให้เกิดความขับแขนไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานมันก็ถึงความดับศูนย์ไปดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เรานั้นแหลละเสียได้บันเทาเสียซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้วทําให้มันถึงความหมดสิ้นไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองซึ่งวิตกใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกนั้นๆชํานาญเลยใช่คิดอะไรบ่อยชํานาญเรื่องนั้นแน่นอนใช่ไหมเพราะอะไรเพราะซ่องเสพเรียกว่าฝึกฝนชํานาญนะความชํานาญเนี่ย เหมือนอันนี้เหมือนภาษาถ้าเราพูดภาษาไหนบ่อยเราก็จะชำนาญในภาษานั้นเนี่ยนะเราทำอะไรบ่อยๆเราก็จะชำนาญในสิ่งนั้นๆความคิดก็เหมือนกันถ้าเราตรึกยิ่งตรึกวิตกตัวใดอ่ะนะใช้งานคนไหนมากคนนั้นคล่องะงั้นใช้งานความคิดตัวไหนมากความคิดตัวนั้นคล่องถ้าใช้ความใช้งานอากุศลจิตประเภทใดอกุศลจิตประเภทนั้นคล่องอย่างคิดดูนะพวกพวกกลุ่มสายโทสะเนี่ยนะ มันเห็นอะไรทุกอย่างเป็นอาวุธหมดเลยสมมติท่านน้อมไปเพื่อการฆ่าคนอื่นนะมองเห็นทุกอย่างเป็นอาวุธหมดมองเห็นแก้วน้ําก็คืออาวุธมองเห็นโต๊ะเตียงตังเก้าอี้สะพานราวบันไดถนนหนทางรถยนต์มันห้องเห็นเป็นอาวุธหมดก็จบวิชานี้เห็นใบไม้เป็นอาวุธหมดเห็นอากาศหายใจก็เป็นอาวุธเนี่ยนะเอ๊ะจะฆ่ายังไงด้วยไม่หายใจแล้วตายไปเลย ใช้เสียงคลื่นเสียงยังไงบีบบังคับให้มันตายไปเลยเนี่ยนะมันใช้สีใช้เสียงใช้กลิ่นใช้รสใช้ผมขนเล็บฟันหนังพร้อมที่จะเข็นฆ่าได้กับทุกเรื่องเนี่ยนะมันคิดได้ยังไงไม่ทราบเนี่ยอาวุธเทมีชีวภาพสารพัดอย่างที่คิดมาเพื่อเข็นเพื่อฆ่าก็จะจบวิชาปานาติบาแล้วนะเพราะมันชํานาญมากว่าวิาวธีฆ่าคานอื่นฆ่าอย่างไรนนะก็เลยกลายเป็นผู้ชํานาญนั้นถ้าอากุศลวิตกตัวใดเกิดบ่อยก็จะชํานาญใน อกุศลวิตกเหล่านั้นดูก่อนพิกูุทั้งหลายเคอถ้าภิสูุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงกามมวิตกมากเธอก็จะละทิ้งเนคขมวิตกเสียมากระทําอยู่แต่กามมวิตกให้มากจิตของเธอก็น้อมไปเพื่อกามมวิตกลืมหมดเลยสมถะและวิปัสสนาลืมการเจริญกุศลใลยหมกมุ่นนะอย่างบางคนเนี่ยไปทําอะไรบางเรื่องก็มาเล่าให้ฟังบอกพอหมกมุ่นกับบางเรื่องนี้ลืมหมดเลยใช่ไหม ลืมสมถะลืมมิปั ส, สนาหมดเช่นไปถ้าเกิดชอบกีฬาที่ตัวเองชอบอย่างเงี้ยนะพอดูปั๊บเนี่ยลืมเลยนะลืมเลยว่าลืมสมถะมิปั ส, สนาลืมหมดเลยก็หมกมุ่นครุ่นคี้แต่เรื่องนั้นๆไปตลอดดูความพิสูจน์ท้งหลายถ้าภิสูุยิ่งตรึกยิ่งตรองซึ่งพยาบาทวิตกมากเธอก็ละทิ้งอัปยาบาทวิตกเสียกระทําอยู่แต่พยาบาทวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อพยาบาทวิตกมากอันง่ายว่าถ้าเราลองไม่ชอบใครสักคนหนึ่งเงี้ย เออไม่ชอบมันไส้ครั้งที่หนึ่งอะครั้งที่สองหน่อยแล้วชำนาญเลยนะสักร้อยครั้งพันครั้งเป็นปีก็เป็นคู่เวรกันตลอดไปเลยกันเนี่ยเรียกว่าไม่สามารถจะเยียวยาเข้ากันได้ขอให้น้องไปเพื่อจะโกรธเอะถ้าน้องไปแบบนี้น่ยนะเขาเข้ า, ขามองหน้ากันไม่ได้ละนั้นพยาบาทเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันเผามันพลานก็จะชํานาญด้วยเอยชื่อถึงปั๊บเนี่ยเครียดเลยนะนะอย่างบางคนเนี่ยเขาเคยได้ยินนี่ยนะเอยชื่ออีกคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งได้ยินปั๊บเมื่อไหร่ระเบลอยบังไง นะพร้อมที่จะมีปัญหาได้หมดเลยมันถ้าไม่เอ่ยนะท่านเรียกว่าถ้าไม่มีชื่อนี้พลุ่งออกมาแถวนั้ น, มนไม่เป็นไรอะ่พระพอมีชื่ออันนี้เข้ามาป๊อปเนี่ยโหสภาแตกเลยแบบนั้นนะคือมันเป็นอย่างนั้นนะมันเรียกว่าเป็นครว่คูเวนเลยนะถ้าอากุศลวิตกเหล่าใดที่มันเกิดได้บ่อยๆเนี่ยหัวเราะอยู่ดีๆหัวเราะร่าเริงอยู่ดีๆมีชื่อนั้นแทรกเข้ามาว๊าปหนึ่งขึ้นมาแค่นั้นแนหะหบเลยนะเงียบเลยนะเพราะอะไรเพราะชํานาญมากที่จะเป็นพยาบาทชํานาญมากที่จะเป็น โสะก็เรียกว่าชำนาญในการโกรธเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นคนที่โกรธเนี่ยเพราะอะไรเพราะน้อมไปเพื่อความโกรธขี้ถึงความโกรธได้บ่อยๆดูความพิสูุน์ทางหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิหิงสาวิตกมาเธอก็ละทิ้งอวิหิงสาวิตกเสียกระทําอยู่แต่วิหิงทิ้งอวิหิงสาวิตกถ้าคิดเพื่อเพื่อเบียดเบียนคนอื่นก็ละทิง้ง กรุณาใช่เธอก็ละทิ้งกรุนานั้นเสียมาทำแต่วิหิงสาวิตกให้มากจิตของเธอก็น้อมไปเพื่อวิหิงสาวิตกนั้นดูก่อนภิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนในสารธสมัยเดือนท้ายแห่งปีหรือว่าเดือนท้ายแห่งฤดูฝนเนี่ยนะคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่คับข้างด้วยข้าวกล้า เขาต้องตีต้องต้นโคทั้งหลายจากที่นั้น น, นกั้นเอาไว้ห้ามเอาไว้เพราะอะไรคือคือเครียกว่า ค, ค, คนคนเลี้ยงโคนเนี่ยนะอันเนี้ยสมัยเด็กๆเนี่ยเขาก็งานเราเนี่ยงานหลักเลยก็คือตื่นเช้ามาเรียกว่าต้นโคต้อนควายไปนาเนี่ยไอระหว่างนั้นเนี่ยชาวนานชาวบ้านเขาก็ปลูกพืชปลูกผักปลูกข้าวเนี่ยเขี้ยวชะอมข้างทางหมดโคมันก็หิวสิควายมันก็หิว แต่ถ้าเราขนาดที่กําลังต้นโคต้อนควายไปนั้นนะ่ะนะถ้าหาวมไปกินข้าวกลากนน้าคนใดทักคําเดียวเขาจะชั่วไนงะถ้าหลายๆคเข้าวเขารู้ก็ถูกด่าเหมนนเถะถูกด่าแน่นอนถ้าไปกินหมดเป็นพริบเดียวนี่น ก, กินหมดไปเยอะแล้วนะหัวควายเนี่ยถูกปรับแน่งานนี้เนี่ยนะถูกปรับไม่ว่าพ่อเสียตังค์แล้วก็ถูกตีต่างหากเป็นต้นเนีแล้วก็ทำไงดีก็ต้องคอยกันคอยระวังกันเพราะอะไรก็บอกเพราะคนเลี้ยงโคทั้งหลายมองเห็นการ ประหารค่าดังนั้นแปลว่าประหารก็คือการเขียนการตีการโบยหรือการถูกจองจำหรือการเสียทรัพย์การถูกติเตียนเพราะโคทั้งหลายเป็นต้นเหตุแม้ฉันใดรู้ว่าถ้าปล่อยให้โคไปกินข้าวกล้าคนอื่นเดือดร้อนแน่ฉันใดดูกนพี่สุทั้งหลายเราก็ฉันนั้นเหมือนกันแล้เห็นว่าอากุสม่ตกเปรียบเหมือนอะไรเหมือนโคใช่ เห็นโทษความเลวสามความเศร้ามองแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายเห็นเลยว่าอกุศลธรรมหรือวัตตนนี่มันเศร้ามองเพียงใดนะสังสารวัฏนี่มันเศร้ามองเพียงใดและเห็นอนิสง์ในเนกขมมะที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งความพ่องแพ้วของกุศลธรรมทั้งหลายเห็นเลยว่าฝั่งสายวัตตะกสายวิวัตะเป็นอย่างไรท่านก็แยกได้แหละอัตตกถาอธิบายอธิบายว่า ในหน้า227ล่างๆบอกว่าก็นายโคบานโง่เนี่ยนะเมื่อไม่รักษาโคทั้งหลายย่อมถึงทุกมีการฆ่าการจองจําการเสียทรัพย์การถูกเตียนจากสํานักของเจ้าของโคทั้งหลายว่าคนเลี้ยงโคเหล่านี้กินข้าวและค่าจ้างของเราก็ไม่สามารถแม้เพื่อจะรักษาโคทั้งหลายโดยตรงกลับให้เป็นเวรกับตระกูลทั้งหลายจาก เจ้าของข้าวกล้าบ้างหมายคือว่านี่นะอุตส่าห์ให้ข้าวให้น้ํามันให้มันไปเลี้ยงโคให้อาหารมันให้ค่าจ้างมันที่ไหนได้มันกลับเอาโคไปกินข้าวกล้าคนอื่นเนี่ยนะก็เหมือนกับอะไรนะถ้าเป็นแบบเปรียบสมัยนี้ก็บอกว่าให้รถมันไปใช้ให้เงินเดือนมันใช้มาเอารถไปเที่ยวชนคนอื่นทั่วไปหมดเนี่ยนะถามว่าเจ้าของยิ้มเลยใช้ยมบอกโอ้ตรงกันข้าลนะเคร็ดกลับมาเลยฉันใดนี้ก็ฉันนั้นเขาต้องคอยประคับประคองกันให้ดีละฉันใด นายโ ค, โคบานผู้โง่เขลาทั้งหลายก็ได้รับการตําหนิติเตียนนะแต่ถ้านนายโคบานผู้ฉลาดเห็นภัย4ี่อย่างว่าแตเ่เผลอครั้งนี้พลาดครั้งนี้เดือดร้อนแน่เนี่ยนะได้เวรแน่ก็เลยเห็นความเศร้าหมองของอะไรของอกุศลธรรมทั้งหลายเห็นเลยอกุศลเนี่ยอกุศลวิตกมีโทษอย่างไรอากุศลวิตกนําไปสู่วัตฏะอย่างไรอากุศลวิตกทั้งหลายนําเป็นไปเพื่อเพื่อสร้างพบสร้างชาติสร้างสังสารทุกข์สร้างวัฏทุกข์อย่างไร นนเห็นความเศร้ามองของสิ่งเหล่านี้เลยขณะเดียวกันก็เห็นเนคขมมะเห็นอา น, นิสงส์ในเนคขมมะว่ามีความหมดจดบริบูรณ์เพียงใดอธิบายว่าเราได้เห็นเนคขมมะอยู่ในฝ่ายความหมดจดแห่งกุศลธรรมทั้งหลายในหน้า228อธิบายคําว่าเนคขมมะหมายคำว่าอย่างไรคําว่าเนคขมมะคือนิพพานนั่นเทียวเมื่อสรงครอบกุศลทั้งหมดซึ่งสลัดออกแล้วจากการมทั้งหลายอย่างลงใน ทรมบททำบทเดียวเท่านั้นลงอยู่ในธรำบทเดียวคือเนคขมะกุศลธรรมทั้งหลายที่น้อมเป็นไปเพื่อพระนิพพานกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดก็เปรียบเหมือนกับเออเข้ไปเนคขมะทั้งหมดเนี่ยนะน้อมนาไปสู่พระนิพพานกุศลที่น้อมนําไปสู่นิพพานเรยยียกว่าเนคขมะเนีน่ยนะเพราะเนคขมะนั้นคือพระนิพพานที่สูงสุดข้อปฏิบัติเหล่าใดเป็นไปเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานข้อปฏิบัติเหล่านั้นก็เรียกว่านิพพาน นี้เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยว่าอารมณ์มีรูปเป็นต้นก็เหมือนข้าวกล้าที่คับแคบเนี่ยนะจิตก็เหมือนกับโคโกงจิตโกงจิตที่น้อมไปด้วยอกุศลวิตกก็เปรียบเหมือนกับโคโกงพระโพธิสัตว์ขั้งหลายก็ดุจนายโคบานผู้ฉลาดวิตกที่เป็นไปเพื่อเบีเบยดเบียนตนและคนอื่นทั้ง2ฝ่ายก็เปรียบเห็นเหมือนกับว่าภัยสิชนิดมีการฆ่าการจองจําการติเตียนการเสียทรัพย์เนี่ยนะ การที่พระโพธิสัตว์ทรงตั้งความเพียรตลอดหกปีเห็นภัยแห่งการเบียดเบียนตนแล้วว่าอากุศลวิตกถ้ามันเกิดนะั้นมันเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเป็นตน้นพระองค์ก็รักษาใจในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นโดยประการที่ไม่ยอมให้อกุศ ล, ลวิตกเกิดขึ้นคือท่านไม่ยอมคิดเป็นอกุศลในรูปอรูปปกติเนรูปเป็นที่ตั้งแห่งกามวิตกบ้างพยาบาทวิตกบ้างวิหิงสาวิตกบ้าง เสียงก็เป็นที่ตั้งแห่งกามวิตกบ้างพยาบาทวิตกบ้างวิหิงสาวิตกบ้างรูปเสียงกลิ่นรสโพธะธรรมมรมทั้งหลายโดยมากเป็นที่ตั้งแห่งกรรมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกแต่พระโพธิสัตว์ไม่ให้ยอมให้เป็นอย่างนั้นกำจัดอกุศลวิตกภายในะการแก้ปัญหาทางพุทธศาสนาเราให้ความสําคัญกับภายในว่าจะแก้ใจเราอย่างไรก็แก้อกุศลวิตกก็เปรียบเหมือนนายโคบาลผู้ฉลาดนะ่ยนะ ในโคบาลผู้ฉลาดคือพระโพธิสัตว์ก็คอยห้ามปรามเกียรติกันไม่ให้อากุศลธรรมทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะความที่ท่านาพยายามที่จะเกียบกันไม่ให้อากุศลวิตตกเกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นปหาณประทานปหานประทานเนี่ยนะปะหานประทานเพียงเพื่อกาจัดอากุศลและสังวรประทานห้ามไม่ให้อากุศลวิตตกเนี่ยไหลเข้า ระวังสังวรปิดอกุศลวิตกไม่ให้ไหลเข้าและพยายามที่จะกําจัดอกุศลวิตกถ้ามันเพลอเกิดขึ้นมาแล้วเพียนที่จะกําจัดอกุศลวิตกนี้แหละเรียกว่าสั ม, มปทานส่วนความเพียนต่อไปก็คือเพียนเจริญกุศลวิตกใ น, นซึ่งก็คงได้กล่าวตอนบ่ายสําหรับชาวนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน